ตอนแรกที่หลวงตาพูดทำทำความเข้าใจว่า อ, อาจารย์กําลังชี้แนะตรงไหนก็เลยไปมองหาแต่มี่ีเนี้ยทําความสงบสักพักหนึ่งแล้วมันขึ้นมาว่าพงเอิญเพิ่งมาจากเรื่องต่างๆที่โยมเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่หลายๆเรื่องกับบุคหลายๆบุคคนก็จึงได้เข้าใจที่ ท, ที่หลวงตาพูดล้วฮะว่าใน ต, ตอนที่โยมเข้าไปยุ่งในการไปจัดการแบบนั้น ก็คือลืมที่จะมองดูตัวเองหลวงตาช่วยดูช่วยแนะนําว่าที่โยมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็ถูกแล้วถูกแล้วหลวงตาก็ช่วยเขจัดการทั้ทุกเรื่องใช่วุ่นวายเพราะว่าไม่รู้สิทธิัวหาเยอะแยะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราพุ่มไปต้องตัวโดยเราไม่เห็นตัวเองอ่ะอมันก็อันนี้ไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างเดียวเพราะเราไม่ไม่ไปตรวไม่เราเห็นตัวเราเองอ่ะกลายเป็นตัวที่วุ่นวายจนแล้วเนี่ยเราก็จะเลยไป เป็นส่วนที่ไม่วุ่นวายเพราะว่าในความวุ่นวายเนี่ยเบื้องหลังมันจะแท้จริงมีความไม่วุ่นวายอยู่วันนี้ถ้าเรากลายเป็นตัวเราถลำไปทั้งตัวเนี่ยเราจะมีแต่ความวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเราเนี่ยจะไม่เจอความไม่วุ่นวายดงนั้นเบื้องหลังของความวุ่นวายมันมีความไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราตัวเราถลำไปทั้งตัวกับทุกเรื่องไม่แต่การดูจิตถ้าเราตัวหลั่ถลำไปดูจิตทั้งทั้งตัวเลย เราก็มีสามคนทุกได้เพราะอะไรมันเอาตัวเราไปเล่นไปเป็นผู้แสดงเราไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้สิแล้วเราเอาตัวเราลงไปเล่นเป็นผู้เล่นเป็นผู้แสดงไอตัวเอาตัวเราไปเป็นสังขารเราหมดโอกาสที่จะเป็นวิสังขารคือวิสังขารคือตัวผู้ไม่ได้เล่นไม่ได้แสดงวิแปลว่าไม่สังขารคือไม่ปรุงแต่งเราจะหมดโอกาสที่จะเป็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราการไปเป็นตัวปรุงแต่งถ้าเราลงไปเล่นลงไปผู้แสดง ที่เขบอกว่าดูจิตดูใจมันดูหนงังดูละครอย่าเข้าไปร่วมเล่นอย่าเข้าไปเป็นผู้สแสดงให้เป็นเพียงผู้ดูผู้รู้เท่านั้นแต่เราลงกระโดดลงไปเป็นผู้สแสดงเลยเออเราเหมือนกับว่าอืทาไมสแสดงไม่ได้เรื่องแบบนี้เลยวันนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราก็เข้าไปเลยเอยเเี้ราดูเขาสแสดงกันดูเขาสแสดงกันเขากำลังแอคชั่นกันเลยสแสดงมีการแอคชั่นมีการแสดงกันเนี้ยเราอุย้ยตัวสแสดงไม่เหมาะสมแสดงแบบนี้เราเข้าไปจัดการเลย มันต้องแสดงแบบนี้มันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตัวทังเอกเปลี่ยนตัวเพระเอกเป็นตัวนั้นตัวนี้ไอ้อย่างเนี้ยเราเข้าไปเป็นตัวแสดงถ้าเราเข้าเป็นตัวแสดงบมดตัวแล้วเนี่ยใครพูดยังไงว่าเป็นผู้ดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราไปเป็นผู้เล่นเราเปลี่ยนฐานะไปแล้วไงจนกว่าเราจะเฉลียวใจได้ว่าอ้าวนี่เราถล่มมาทั้งตัวเลยเรากดดลงมาเราไม่ใช่เป็นผู้ดูซะแล้วเนี่ยเรากโดมาเป็นผู้ในการสร้างหนังกำกำหนดเรากระโดดเข้ามาเป็นผู้กํากับมาเป็นคนอะไรอะ ดีเลกเตอรมาเป็นผู้แสดงมันเป็นผู้อะไรแสดงเป็นผู้กํากับบทเป็นผู้เปลี่ยนตัวเราเข้ามาจัดการเองอ่ะเราหลุดจากฐานะที่นั่งก็อีดูนะนี่ที่บอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยจะมองเห็นว่าเราหลุดจากผู้ดูเนี่ยเข้าไปเป็นเข้าไปในจอแล้วเราเข้าไปในจอเข้าไปในที่เขาถ่ายทําด้วยเราก็จะถูกถ่ายทำเป็นหน้าจอออกมา้ก็ดูกันเขาเลยเห็นหมดเลยว่าเรากระโดดขึ้นไปเล่นในจอเข้าไปวุ่นวายในจอเพราะอะไรเราเปลี่ยนไม่ได้ฐานะเป็นผู้ดูแล้วนี่ แต่ถ้าเราเป็นฐานะผู้ดูเนี่ยคนอื่นก so ็ไปเล่นเราก็จะมองเห็นคนอื่นหมดเลยเขากระโดดก็ไปเป็นผู้แสดงแต่เราเป็นผู้ดูเขาแต่ถ้าเราเนีกระโดดขึ้นไปเล่นไปแสดงนะเราไม่เห็นหรอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูเพราะอะไรก็เราเนี่ยเข้าไปเป็นผู้แสดงเพราะฉะนั้นถึงจะบอกยังไงจึงไม่เข้าใจนะเพราะว่ากำลังเป็นผู้เล่นผู้แสดงอยู่บอกว่าไม่ใช่นั่นนัหลุดฐานะแล้วหลุดจากฐานะผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ก่อใจผู้เป็นอันนี้มันหลุดไปเป็นผู้เล่นผู้แสดง ถามบอกยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในฐานะเต้นเต้นเต้นเต้นอยู่บนจอเข้าไปอยู่ในนั้นเราหลุดจากฐานะผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นที่ไม่เป็นวิสังขารแต่เราเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งวิสังขารคือความไม่ตรุงแต่งนั้นต้องเฉลียวใจแล้วก็ถอนตัวรู้สึกตัว ข, ขึ้นมาแล้วก็จึงรู้ว่าขณะที่เราเนี่ยไม่ไม่ไม่ลงไปแอคชั่นไม่ลงไปแสดงกิริยาการไม่ลงไป ดิ้นค้นหาไม่ลงไปคิดนึกติดตองวิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรเราก็จะเป็นผู้ดูผู้แสดงดูจิตที่แสดงแอคชั่นเป็นสังขารผูก แ, แต่งไปแต่ถ้าเราลาจะจับผู้ดูผู้ผู้รู้ผู้เห็นเราก็ผู้ที่ไม่ปรากฏอาการใดๆเราลงไปเป็นอาการเราจะไม่เห็นตัวเราเองแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ปรากฏอาการใดๆเลยเราก็จะเห็นตัวอาการทั้งหมดภายในใจเรามันเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เราไม่เคลื่อนไหว ใ, ในใจเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พูดุยคนเดียวบนอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวติดต ong ว, วิเคราะห์วิจารวิจารอยู่คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องปกติปกตินะมันมีอยู่คนเดียวไอ้ฝ่ายฝ่ายสังขารปรุงแต่งนีน่มันมีตลอดเวลาแต่บัดนี้ยเราถึงซึ่งความไม่ปรุงแตง่งในความปรุงแต่งมีอยู่แต่เราเนี่ยถึงซึ่งความไม่ปรุงแต่งแล้วคือไม่เป็นผู้เล่นไม่เป็นผู้สแสดงไม่เป็นวิสังขารแต่ สังขารยังมีอยู่คือขันห้ายังไม่ตายยังไม่แตกต่างนี่เราพูดถึงว่าไม่ได้เป็นกิเลสฝ่ายหลงแล้วนะถ้าไปหลงคือเอมันหลงเอาถ้าเราเนี่ยหลงไปเป็นสังขารเอาเอาขันห้าเอาสังขารเนี่ยเข้าไปพรุงแต่งยึดนั่นยึดนี่อันนี้อันนี้เป็นกิเลสไปแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยหลุดจากกิเลสไม่เอาสังขารปรุงแต่งยึดนั่นยึดนี่มันก็จะเหลือแก้สองอย่างคือขันห้าตามธรรมชาติที่ไม่มีกิเลส แม้เอาขา น, น่าไปยึดอะไรจะมีความปรุงแต่งตามปกติทําความรู้ความเห็นความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้ทําเพื่อเข้าไปมีส่วนได้เสียก็ดูข่าวสามบา้านเมืองดูนี่ดูนั่นดูนี่แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียก็ดูไปว่าบ้านเมืองก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนแล้วมันก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในใจได้โอ้บ้านเมืองไปอย่างนี้นี่อลเดี๋ยวนี้โลกเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอะไอย่างนี้อะไรเนี่ยนี่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรแต่มัน มันจะต้องมีตัวเนี้อยู่ในใจอยู่ตลอดเราจะเป็นคนที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดสังเกตตั้งการสังเกตตั้งการจดจําเรียนรู้ทําความเข้าใจเราจะเป็นคนฉลาดเหนือคนเพราะอะไรเราสังเกตมากเรียนรู้มากศึกษาทําความเข้าใจมากแต่ในการสังเกตเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจนั้นไม่ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียแต่เมื่อไหร่ที่เราถลังก็ไปมีส่วนได้เสียอันนั้นเป็นกิเลสสภาวะขันห้าที่เป็นปกติธรรมชาติมันจะหมดไปเราจะเอาขันห้าไปเป็นกิเลส เราจำพ้นจะเอาขาน่าไปกิเลสก่อนต้องรู้ตัวก่อนหลงหลงเอาขาน่าไปกิเลสเราต้องรู้ตัวขึ้นมาจนกระทั่งเราอยู่กับความรู้สึกตัวที่ไม่หลงไม่กลับอะไรแล้วปะใช้ขัน่าตามปกติคนใช้ขาน่าตามปกติแล้วเราก็ไม่ถล่มเข้าไปกับขาน่าขัน่ามันแสดงกิริยาการไปเราไม่ถล่มไปกับขัน่าขัน่าก็แสดงกิริยาการไปแต่ใจไม่เป็นผู้แสดงแต่ขัน่าเขาคงแสดงต่อไปเราจึงพบว่า ในความเคลื่อนไหวในความปรุงแต่งแต่ใจไม่เคลืなな่อนไหวไม่ปรุงแต่งมันจะเป็นของคู่กันอยู่อย่างเงี้ยตลอดกาลใจไม่เคยเกิดดับไม่เกิดไม่ดับไม่มีความปรุงแต่งไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายร่างกายเป็นสิ่งที่เกิดดับย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายจิตใจคือความรู้สึกมันคิดอารมณ์ย่อมเกิดย่อมดับย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายแต่ใจไม่เกิดไม่ดับไปตามกิริยาการภายในใจ พอรู้เห็นอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีเ ม, ม, มื่อใจมันก็ไม่มีตัวใจไม่มีตัวใจก็ไม่มีตัวประยิตอะไรให้เป็นทุกข์มันก็เป็นใจที่ว่างเปล่าไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติของจักราวาลไปแต่ภายในอาการภายในใจก็คงขันห้าก็คงแสดงออกมันไปแต่ใจเนี่ยมันไม่ไปจับขันห้าแล้วเอาขันห้าเนี่ยไปปรุงยิบอะไรต่อไปมันขาดกันแต่ถ้าเราหลงไปเป็นขันห้าไปเป็นผู้สแสดงเนี่ยเราจะเอาผู้สแสดงเนี่ยเข้าไปจัดการกับ ทุกสิ่งแล้วก็ถลําไปทั้งตัวบรรเลยเลยนะอันนี้บรรเลยขันห้าไปเพราะว่าเราขันห้าไปใช้ทั้งตัวเลยทุ่มเข้าไปเลยเข้าไปมีส่วนได้เสียเราต้องอ่านใจของเราให้ขาดในนี้ในการในการสแสรงหาธรรมพอมาได้ไกลแล้วล่ะแต่ในส่วนที่ปรุงแต่งละเอียดก็ยังมีอยู่หลงเข้าไปหลงไปไข้ควรวิเคราะห์ปิจารณวิจัยในธรรม มันเหมือนกัมันถ้าถ้าแสดงอาการก็มันตอนตอนแรกเนี่ยถ้าเละคือเราถลําก็ถลําไปจนเหงนท้องตัวเลยเมื่อกี้ไม่เห็นคนอื่นก็เห็นมันกอนเราหาท้งตัวแต่ตอนนี้มันเหมือนกันนานนี่คิดกับหมดนิดนึงอโอ้แบบนี้เองแบบนี้เราเข้าใจแล้วเมื่อกี้เราเข้าใจผิดตอนนี้นี่ตอนนี้เราเข้าใจถูกเข้าใจจริงแต่ถามอาจารย์หน่อยว่าถามลุงตาหน่อยว่าแต่ตรงนี้เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมเข้าใจถูก ไอตัวที่พูดอืออืเ น, นี่ยไอตัวเนี้ยคือตัวสังขารนะ hmm. แต่เราเนี่ยลืมดูตัวนี้เลยลืมเห็นตัวนี้ว่าว่าไอตัวนี้ยเป็นสังขารเราเอาตัวเราเนี่ยเอาตัวเราคิดอย่างนี้จริงๆเลยก็ hmm. ยังเป็นตัวถลามอย<อ>่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถลามวิหารมากี่จริงๆจางใหญ่โตนะแต่เออเดี๋ยวเราจะถ า, ามพระจันทร์ว่าถามๆๆ oh. อย่างเงี้ยแล้เขาก็จะถูกกันใช่ไหมออย่างเงี้ใช่ไหมแต่ไอตัวที่พูดพูดพูดพูดเจ๋อจ๋อเจ่อเนี่นนะที่ว่าเป็นเราเราเราเราโอ้เราเราเข้าใจถูกทางได้แล้วนะ ไอ้ตัวนี้คือตัวปรุงแต่งหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราแต่เราเอาตัวนี้เป็นตัวเราจริงๆเลยเพราะว่าเราที่แท้จริงพูดไม่ได้คิดไม่ได้ติดต่อไม่ได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไม่ได้มเป็นวีสังขารเป็นทศสังขารตธาคือไม่เกิดไม่ดับอ่ะสังขาตธาเป็นธาตุที่ไม่มีใครปรุงแต่งมันมันไม่เกิดไม่ดับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ถูกทํำลายได้มันกับวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยก็ไม่ได้ด้วยแต่จริงเราก็คือความว่างอะไร ความบ้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติของจักรวาลไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นเวฟเป็นคลื่นที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่วิญญาณอคติที่มีการรับรู้แล้วก็คิดติดตอรู้แล้วคิดรู้แล้วคิดรู้แคิดติดตอแล้วก็ยังเป็นเกิดดับแต่เรามันเหนือมันนั่นขึ้นไปอีกเหนือกว่าวิญญาณอคติที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งปัดใจอันเนี้มันเป็นวิญญาณอคตินะมันเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งไอตัวดิ่ ท, ที่เราต้องดูตรองกิดต้ังกอ่อใจแล้วโ อ, โอ้ตรงนี้ก่าใจก็ได้ก่อใจก่ใจอือืมต้องดูตรองกิดต้องก่กอใจเออตรงนี้ใช่ใ่แต่เราไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นขันห้ามเป็นวิญญาณขันทํางานร่วรมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังคันวิญญาณมันทำงานเร่วมกันจิตวิญญาณขันเนี่ยมันทําร่วมงานมันต้องทําร่วมกับเจตสิกเพราะว่าจิตมันต้องทํางานเกิดพร้อมกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะว่าภพพิธรรมเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปกกก็็คคืืออร่าาางยจิิตวญญณ เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารมันทํางานร่วมกันเราเลยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เลยไอ้ตัวเนี้ยเราไม่เห็นว่ามันเป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารขันธ์ที่มันส่งต่อวิญญาณขันธ์ตัวต่อไปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารตัวต่อไปเรื่อยเงี้ยเป็นกระบวนการที่เร็วมากของการทํางานของกระบวนการกันธห้าเราเลยเอาไอ้ตัวที่ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเข้าใจเนี่ยมาเป็นตัวเราเลยตอนนี้เราเอาขันธ์ห้าเป็นตัวเราจริงๆอะไรเน พอเราไม่หลงเอาไปดูเอาไปรู้แล้วไปไปดิ้นรนคุ้นหานะ่แต่เราก็เอามาลำพึงไว้ในใจเอาเอาวิญญาณขันเอาจิตวิญญาณขันกับเวทนาสัญญาสังขารมาลำพึงไว้ในใจว่าเอออย่างนี้หนูเข้าใจใช่ไหมล่ะเนี่ยหนูหนูโอ้อย่างนี้หนูเข้าใจมากขึ้นน่ะตอนแรกไม่เข้าใจหลงไปตอนนี้ใช่ใช่ช่ตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้หนูใช่ละตอนนี้อัที่หนูพูดจ่อยอยู่ในใจอะที่วิเคในใจอันั้นแหะคือขันธ์หน้าทั้งหมดเลยคือเอาวิญญาณจิตหรือวิญญาณขันมาวิเคราะห ทังความจําทางการเรียนรู้ทางการเข้าใจมันก็มีข้ออันเด็ดเสร็จอยู่ในนั้นแหละแต่หนูไม่เห็นว่าตัว น, นี้เป็นขันห้าแต่เห็นว่าเป็นเราจริงๆคือหนู ก, ก็ใจแล้วใช่ไหมหนู ก, ก็ใจแล้วใช่ไหม<ช>คือเป็นตัวหนูจริงๆไอ้ตัวเนี้เออเอาขันห้าตัวนี้เป็นตัวหนูจริงๆนี่พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บพอฟังอาจารย์หรือหลวงตาพูดเสร็จปุ๊บก็เออมันมีตัวนี้จริงเราเห็นมันแค่นั้นแหละเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะไม่ทเคเห็นมัน เราก็เลยจะกลายเป็นผู้เห็นแต่ไอ้ตัวพูดก็พูดไปเลยแต่เรากลายกายเป็นผู้เห็นมานแล้วเราไม่เป็นผู้แสดงแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเราเป็นผู้แสดงจริงๆถ้าเราไม่เห็นตรงเนี้ยเอาไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราได้เอาตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งเอาไอ้ตัวสังขารเป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นสังขารเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตรงเนี้ยตกเขาตลอดน่ะเพราะอะไรก็เอาเราตัวเราไปเป็นตัวสังขารเอาสังขารเป็นตัวอย่างงี้เราหลุดจากสมุติไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสมุติ เขาสมมุต you know, ิมาเป็นสมมุติเนี่ยเป็นคนนี่ก็เป็นสมมุติเป็นสัตว์ก็เป็นสมมุติเอสมมุติเอาว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งแต่ถ้าเราเลยสิ่งปรุงแต่งไปเห็นว่าเนี่ยสิ่งปรุงแต่งมันเป็นปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยแต่เวลาหมามันเห็นเรามันก็เห็นว่าเราก็เป็นรูปร่างหนึ่งแต่มันไม่เรียกว่าคนหรอกมันจะเรียกเราว่าอะไรโนแต่เราเห็นหมาเราก็ไปปรุงว่ามันคือหมาแต่ถ้าคนในโลกเนี้ยก็เปลี่ยนชื่อสมัยอ่ะเขาไม่เรียกนี้ว่าเป็นคน สมมุติว่าอ่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคนะเขาไม่เรียกคนเนี่ยอืมอิมันดะอ่ะนี่เขาไม่เรียกคนทำไมพภาษาสมมติแตกต่างกันแหละเขาไม่เรียกคนเขาเรียกอิมันด์อมันด์นพูดสัตว์หมาหมาเราพูดหมาแต่เขาไม่เรียกหมาเขาไมเรียกอื่นนี่เขาไมเรียกด็อกๆ็อกมันก็เลยไม่เหมือนกันอีกแลนวเนี่ยบ่อไปแลไรสมบัตมันต่างกัน่ะเราจะเห็นว่า ภาษาที่คิดเอาเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาษาสมมติแต่ที่จริงอะมันก็คืออาการของใจคุณจะเรียกว่าอะไรทั้งหมดอ่ะตั้งชื่อเรียกว่าอะไรแต่มันก็เป็นอาการของใจแค่นั้นแหละเป็นอาการของใจกับใจที่ไม่มีอาการมันไม่ใช่แค่สองอย่างธรรมชาติคือใจที่มีอาการกับใจที่ไม่มีอาการใจที่มีอาการก็เราก็สมมติอีกอะ่ะเรียกว่าว่ามันสังขาร ใจที่ไมมีอาการก็สมมติมันอีกเรียกว่าวิสังขารถ้าเราไม่สมมุติมันจะพูดยังไงรู้เรื่องเพราะว่าถ้าไม่สมมตินะไม่มีปภาษาพูดอืออย่างนี้แนี่อืออืออือือย่างนี้น่ะอืออื่งนี้จะพูดยังไงอ่ะมันก็ต้องสมมติพูดกันเนี่ยแต่ให้รู้ว่าสมมุติมันตรงกันเอออย่างนี้แนี่ยแต่ให้รู้ว่าเนี่ยมันคือสมมุติถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะข้ามสมมุติไม่ได้เราจะติดสมมุติที่เาโลกในค้าสมมุติไปให้แล้วเราจะติดหมดเลยเนะี่ยเราบอกว่า เทา้มามาเมืองไทยคนไทยเท้าเป็นของต่ำนะคุณอยาเอาเท้ามาไว้ตงหัวนะถุงเท้าลองเท้าเบาๆเป็นหัวนอนไม่ได้นะนี่เป็นของต่ำเห็นไหมเอาเท้ามาโดนหัวแล้วก็เป็นเรื่องเลยคนไทยเนะี่ยเพราะอะไรมันสมมุติทางการในโลกเนี้ยเท้าเป็นของต่ำอะไรเงี้ยหัวเป็นของสูงเอเพราะอะไรเรายืนขึ้นก็นว่าหัวมันสูงกว่าเท้า <laughs> เอออย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเราติดสมมุติเราข้ามไม่ได้นะข้ามสมมุติไม่ได้ มันเป็นสมมติคนในโลกเนี้ยก็สมมุติถ้าเราก็ตามเขาไปธรรมะไม่มีอะไรหรอกมันคือธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะคือธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเลยเราไปติดนู่นติดนี่ที่คนในโลกนี่ก็สมมุติให้เรากรรมวิธีที่เขาใหปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็คือสมมุติให้เราเดินเพื่อเราเนี่ยไปถูกความจริงคือที่สมมุติไปเป็นวิมุติเพื่อเห็นว่ามันมีทั้งสมมุติกับวิมุติเราอย่าติดมันเราไปติดสมมุติเราก็ทุกข์แม้แต่ติดวิมุติยังทุกข์เลย ปิดวีมูดยังทุกเลยนะปิดอะไรไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งสมบูรณ์ทางวีมูอในคนทางพุทธเราเนี่ยเราพยายามจะมองว่าเราไปถึงโสดาบันหรือนิพพานเนี่ยมันถูกไหมฮะที่เดินอืมไอที่ตัวเองก็วางไว้ให้ว่าคุณเนี่ยพิจานาได้ก็ตามแต่ถ้าคุณเนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ยเดินทําอย่างเงี้ยปฏิบัติเงี้ยก็เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าอันเนี้ยเป็นของพุทธนะ แต่มาถึงว่าพุทธเนี่ยวางแนวไว้ให้อย่างนี้ว่าถ้าคุณเดินทางอย่างนี้ในยามาร์กเนี่ยในในมาร์กเนี่ยมาร์กเนี่ยไม่ได้เป็นของพุทธอย่างเดียวแต่ปฏิวัติพุทธเนี่ยวางแนวไว้ให้อย่างนี้แต่ทุกศาสนาเนี่ยก็บอปฏิบัติอย่างนี้ได้ถ้าปฏ e ิบัต <te> ิอ <eu> ย <renov ations> <te> ่างเนี้ยมันก็จะต้องเป็นอย่างเนี้ยอืคือไม่ใช่ว่าศาสนาอื่นเอาอันนี้ยไปปฏิบัติไม่ได้ไอ้ปฏิบัติอันเนี้ยคือเหมือนกับบันไดที่เดินขึ้นกุฏิเนี่ยชั้นบนเนี่ยไม่ได้เป็นของใครบันไดที่เดินกุฏิขึ้นชั้นบนเนี่ยไม่ได คนศาสนาใดอยากขึ้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนศาสนานั้นก็ต้องขึ้นบันไดนี่เหมือนกันคุจะปีนขึ้นยังไงเป็นกุศลมันมันสูงขนาดนี้มันก็ต้องเดินขึ้นบันไดสบายที่สุดเพราะนั้นทางเนี่ยเขบอกว่าทางที่จะขึ้นไปชั้นบนก็ต้องเดินบันไดใดนี้ถ้าสมมุติไม่มีลิฟต์นะมันก็ต้องเดินขึ้นบันไดทุกคนเพราะนั้นอริยาบถก็คือทางทางที่เดินขึ้นชั้นบนสมมติว่าความทุกข์เราเราเปรียบสมมติว่าความทุกข์นี่คืออยู่ชั้นบนการที่จะขึ้นข้บนนดึัไ บันไดเนี่ยก็เรียกว่าอาริยมรรคแต่ไม่ใช่ว่าบันไดเนี่ยคือของเป็นของลิขสิธิ์ของพุทธศาสนาไม่ใช่คือบันไดเนี่ยเออมันมีอยู่บันไดเดียวใครที่จะมาก็ต้องเดินบันไดนี้แนมันที่จะขึ้นไปข้างบนได้มันมีบันไดเดียวก็ต้องเรียกว่ามันมีทางเดียวทางเดียวอาริยมรรคมีทางเส้นเดียวคือต้องขึ้นบันไดนี้เท่านั้นบันไดทางอื่นไม่มีเพราะลิฟมันไม่มีให้ดังนั้นใครก็ได้ที่มาเดินในนี้มันก็ไปได้ การลงการชี้นะการปฏิบัติต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นตัวเราหลงเป็นสังขารเลยเห็นในรูปธรรมมันหมดนะตอเราหลงไปเป็นสังขารหลงก็ตัวเราไปปรุงเป็นสังขาร่ะเราไม่ปรุงไม่ได้<ช>เราปรุงแต่งไม่ได้เป็นพ่สังขาร <mant. S 2> เป็นอสังขาราธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับแต่เราตัวเราไปเป็นสังขารที่มันเกิดดับได้เอาไปปรุงได้แสดงว่าเราหลุดแล้วหลุ ด, ลดคือหลุดก็คือหลงกันแหละหลงเรียกว่าอวิชชาก็เห็นตรงเนี้ยรูตรงนี้ยเห็นเร็ว สติปัญญาต้องคมกริบเลยสังเกตเข้าว่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทุกขณะอยู่ปัจจุบันเนี่ยต่อหลงก็ไปสังขารอหลงก็ไปเป็นสังขารหลงก็ไปเล่นหลงก็ไปเป็นรู้แสดงต้องเห็นเลยจังเฉลียวใจทันทีว่าเอาผิดแล้วผิดแล้ ว, ลวถล้ำผิดตัวแล้วผิดตัวแล้วเล่นเล่นผิดหน้าที่<ช>เ อ, อเหมือนกับว่าหน้าที่เราเนี่ยเป็นวิสังขารเป็นผู้ดูแต่เราเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปจอเข้าไปเล่นไปแอคชั่นไปอยู่ในกองถ่ายเขาเ<ช>ขาให้เราดูการถ่ายทํำแต่เราเนี่ยผิดหน้าที่ เราไม่ไม่อยากเป็นผู้ดูการถ่ายทําแต่เราอยากจะเข้าไปร่วมจอยด้วย <S <S <S เข้าไปร่วมเล่นร่วมแสดงเข้าไปเป็นผู้กํากับเข้าไปเป็นผู้เป็นไดเลกเตอร์เข้าไปวุ่นวายเข้าไปในนั่นแหละไปเขียนบทไปวุ่นวายไปปรับบทไปแต่งเขาเราบอกว่าอย่างนี้มนไม่สูยอย่างนี้ไม่ดีไม่อะไรเราก็เข้าไปหมดเลยเราบอกว่าเขาบอกว่าฐานะเราคือคุณไปเป็นผู้ดูนะไปไป ไ, ปไปเอาไปนั่ไปเป็นผู้ดูเขาคุณอยากเข้ามาเป็นผู้แสดงอยากเข้ามามีส่วนมีส่วนในนี้มีส่วนมาเข้ามาวุ่นวายกับการแสดงนี่แต่เราไม่อยากเล่น ไม่อยากเล่นเป็นผู้ผู้ดูเราอยากจะเข้าไปเป็นผู้แสดงเอาอย่างนี้เราก็ต้องรู้ตัวเราดิเราเข้าไปเองใครจะว่าเราล่ะใครจะใครจะไปห้ามเราได้เราก็ต้องรู้ตัวเราเองอมหาอักบรอาจารย์ก็ได้จะบอกว่าหลงแล้วหลงเข้าไเป็นผู้แสดงแล้วก็ได้แต่ผู้แค่นี้เองแต่คนจะออกมาตั้งตัวเราเน่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ครูอาจารย์ทั้งหลายต่อวุฒธเจ้าไม่ใช่ไปดึงตัวออกมันได้ก็เราเข้าไปเป็นผู้แสดงเองก็ได้จะบอกว่าหลงแล้วอหลงแล้วเราก็ละเองละว่าเป็นผู้ดู แต่เราเข้าไปเป็นผู้เล่นมาหลายรอบกระทุบดังนั้นทุกขณานที่ต่อไปก็ต้องหมันสังเกตสังเกตละเอียดรอบครอบมากเลยว่าเป็นเพียงแค่ผู้ดูหรือกไปเป็นผู้เล่นเป็นวิสังขารหรือเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งต้องเป็นผู้สังเกตตัวยงเลยละเอียดรอบคอบวิธีปฏิบัติก็สังเกตใช้สติปัญญาของเจ้าตัวสังเกตเอา สังเกตเอาจริงๆว่าเราเข้าไปเป็นผู้ปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแตง่งแล้วเราก็จะความไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเราจะพบกับความสงบความว่างความสุขความสุขไม่ใช่หมายถึงว่าเอาตัวเราปรุงแต่งไปตัวเราไปเสพอารมณ์ใดไปเจ็บไปเสพสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราได้สมหวังที่เป็นสุขเหมือนชาวโลกทั่วไปไม่ใช่ความสุขอันนี้คือความสิ้นทุกข์คือสิ้นความเข้าไปยึดถือสิ้นเข้าไปปรุงแตง่งมันจึงไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์นี่แนะเขาเรียกว่าเป็นความสุข ความสุขที่ปัจจัยความทุกข์ท่านจึงใช้คําว่านิพพานังปลมังศุขังนิพพานเป็นความว่างป่าอย่างยิ่งนิพพานังปลมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สุขเพราะว่ามีตัวเราไปเสพอะไรแต่สุขเพราะสิ้นตัวเราที่จะไปเสพอะไรจึงไม่มีความทุกข์จึงเป็นสุขอย่างยิ่งและเป็นสุขที่อมตะแต่สุขที่เกิดจากตัวเราไปเสพอะไรมันเป็นสุขสุขเดือดเดือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เมื่อไรเราได้อย่างใจเราก็สุขเมื่อไรเราไม่ได้อย่างใจเราก็ทุกข์แต่เมื่อสิ้นตัวเราเอาไปเสพอะไรอันนั้นเป็นสุขอมาตะไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหลือสุขเหลือทุกข์แต่นั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ ย, ยั่งยืนเป็นอมาตะาตลอดกาล ร, รอวันสิ้นอายุขยัยธาตุขันติ่งที่ปรุงแต่งดับหมดความไม่ปรุงแตง่งเป็นอมาตะาตลอดกาลเพราะมันไม่เกิดไม่ดับมันก็เลยหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความไม่เกิดไม่ดับในธรรมชาติ ความไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายก็คือความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยต่อให้คุณมีอาวุธที่ไร้แรงปานใดอ่ะคุณยิงได้แค่โลกให้แตกดวงอาทิตย์ให้ทาลายแต่คุณยิงเข้าไปในความว่างของจักรวาลให้ทํำลายความว่างได้ยังไงคุณไม่มีทางเพราะวะ่าไม่ว่าขีปนาวุธวุธที่ไร้แรงไหนะมันหาความมันหาอะไรในความว่างไม่ได้เพราะมันไม่มีเป้าหมายแต่ในความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยเขาเรียกว่ามีหนึ่งเดียวคือก็คือความว่างแค่หนึ่งเดียว แต่สังขารพุงแต่งเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยล่องลอยในจักรวาลเนี่ยโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาต ท, ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งพรุงแต่งทั้งหมดร่องรอยกันทั่วไปหมดเลยในจักรวาลอันนี้ทำให้ใครผลิตเขียวบุญอาวุธที่ไร้แรงที่สุดยิงแต่ทลิดทําลายได้หมดเลยทั้งโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตจรวดที่วิ่งไปยิงทาลายได้หมดแต่ไม่มีใคร ย, ยิงทําลายกว้างได้นี่น่ยที่สุภัทธา阿拉ห์สาวกองทัสุดท้ายถามพระพุทธเจ้าว่ารอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศเนี่ย จะมีรอยเท้าอยู่ไหมรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศเนี่ยจะมีรอยยังมีรอยเท้าอยู่ไหมเดินแน่ภูตุปทาบลุษอารหันตรงนี้เพราะธรรมชาติเหล่าเนี้ยมันมีขุงมันอยู่แล้วในธรรมชาติที่วางเปล่าไม่ปรากฏร่องลอยส่วนที่ปรากฏล่องลอยลั้นแต่เป็นสังขาร แต่สังขารทั้งมวลไม่สามารถปรากฏอยู่ในความว่างเปล่าได้เมื่อใจไปถึงความว่างเปล่านั้นทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดดับไม่ปรากฏหลองลอยในมันถ้าเรายังเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นสังขารนิ่งหล่นค้นหาเราจะหมดโอกาสที่จะไปเป็นส่วนที่ไม่ปรุงแต่งไม่ค้นหาได้เราจะกลายไปเป็นตัวปรุงแต่งไปเป็นสังขารตลอดเราหมดโอกาสที่จะเป็นทีสังขาร เรายังเอาตัวเราไปดี้นล้นคนหาแล้วก็ตกไปอยู่ในธรรมชาติฝ่ายปูุงแตง่งเราไม่ไปไม่หมดอากาศยังเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งเพราะธรรมชาติมันมีสองฝ่ายคือฝ่ายปูุงแตง่งกับฝ่ายไม่ปูุงแตง่งไม่ว่าจะศาสนาใดก็ยอมรับหมดว่าถ้าคุณเนี่ยปูุงแตง่งมันในทางที่เป็นบาปกรรมคูก็ไปฝ่ายฝ่ายที่จะเรียกว่าอะไรได้ภาษาต่างชาติเรียกต่างกันไปแต่ภาษาไทยเรียกว่านรกหรือว่าเป็นอบายอบายภูมิเปรตอสุรกายจตนรกตัวนี้ ทางชาติอาจาอจะมีชื่อปภาษาของเขาสมมติไปเรียกว่าอะไรก็ได้แต่คือไปในฝ่ายที่ลำบากเรียกว่าไปในฝ่ายลำบากเพราะว่าคุณเอาสังขารฝ่ายปรุงแตง่งไปปรุงแตง่งไปฝ่ายฝ่ายบาป ก, กรรมคุณก็เลยไปในฝ่ายลำบากแต่คุณเอาสังขารฝ่ายปรุงแตง่งไปปรุงแต่งในฝ่ายที่เป็นบุญคุณก็ไปสบายถ้าเกิดเป็นมนุษย์บางเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าที่สวยเป็นเทวดาขึ้นไป เ, เรียกว่าทุกจารณาจะมียอมรับหมด่าถ้าคุณปรุงแต่งในฝ่ายบุญกุศลคุณก็ไปสบายคุณปรุงแต่งในฝ่ายที่เป็นบาปกรรมกูก็ไปไปลำบาก แต่ถ้าคุณเนี่ยสิ้นความปรุงแต่งไม่ไปปรุงแต่งทั้งบาปไม่ปรุงแต่ทั้งบุญคุณได้ไปไหนได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีที่รองรับเพราะว่าถ้าโลกทั้งสามเนี่ยมันก็มีโลกโลกที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายที่เป็นนรกแล้วก็ฝ่ายที่เป็นโลกโลกมนุษย์แล้วก็ฝ่ายโลกสวรรค์สามโลกอ่ะหรือจะมีมากกว่าโลกนี้ก็ได้ไก็รู้แต่ปรุงแต่งทั้งหมดนั่นแหละแต่โลกที่ไม่ปุงแต่งมันไปไม่ได้มันไม่มีที่ไ stream, ปมันไม่มีที่รองรับ นั่นเนี่ยมันจึงมันจริงสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็พอไม่มีว่ายตายเกิดมันก็ต้องไม่ต้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะอะไรธรรมชาติเหล่านี้ยมันมีอยู่แล้วธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเน่ะคือมันได้มีที่ไปคือความธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอยธรรมชาติจักรวาลเนี่ยมันไม่มีที่ไปหรอกแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีที่ไปเพราะมันมีที่รองรับเพราะมันเนี่ยไม่ว่าจะมีคนไหนมาเข้าไปสูธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ไอ้ผู้ที่ปรุงแต่งมันก็ยังทยอยกันมาไม่มีที่จบสิ้นนะนั่นแหละ เรลกก็ไม่มีที่จบสิส้นสวรรค์ยังไม่มีที่จบสิ้นในโลกมนุษย์ก็ไม่มีที่จบสิ้นเราไม่มีแต่ทําำ้ายเรานั้นธรรมชาติมันจะมีสอ mm. งสิ่ ง, งคือสิ่งที่ปรุงแต่ง้วยังปรุงแต่งกันไปไอ้พวกไหนที่เข้าไปถูนธรรมชาติไม่ปรุงแต่งก็ก็ไปของเข้าไปธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็เลยมีสองธรรมชาตินี่คุณจะไปธรรมชาติไปปรุงแต่ ง, you you speak, งหรือเปธรรมชาติไปไม่ปรุงแต่งแล้วเลือกของคุณนี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่ใครก็ได้ศาสนาใดก็ได้ถ้้าาเขถึงงควมจริอนีย พนทุกได้หมดเลยนี่แน่คืออริยมรต์เข้าก็ใจตรงนี้อริยมรต์อันมรต์ไม่ได้เป็นของใครแต่มาถึงว่าใครจะเข้าถึงความจริงอันนี้ครูเนี่ยเดินทางอย่างเนี้ ย, ยมีปัญญาเห็นชอบเข้าตามเนี้มีปัญญาเห็นชอบอะไรก็เห็นชอบธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแบบเนี้ยนี่คืออริยมรต์คือธรรมชาติมันมีอย่างนีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอาอย่าทําอะไรไดเอาม า, มาแล้วมากับแม่แล้วจามาเอ้าชื่ออะไรลูกเอ้าไ อ, อ, อถือไมห้หน่อย น้องเอิญค่ะน้องเอิญบุญวาสนาเก่ามันมีอยู่แต่เราใช้ไม่ได้เอามาไม่ใช้ไม่ได้ใช้เลยลูกสาวไม่ได้ใช้น่าเสียดายแล้วศาสาร์สร้างมาบุญบารมีสร้างมาแต่ไม่เราไม่สามารถนามาใช้ได้น่าเสียดายมันเหมือนกับว่ามีเงินเงินในธนาคารมากมายจะเบิดออกมาใช้ไม่ได้ถูกถูกศาลสั่งปิดบัญชี เพราะอะไรที่ถูกบิดบัญชีเพราะว่าไอ้ทาทําผิดมาอะไถูกสั่งสังปิดบัญชีทั่นเงินเต็มไอ้ทําผิดมาคืออะไรไอ้ทำผิดมาตามความคิดและอารมณ์ตัวเองเลยถูกสั่งปิดบัญชีโดยอํานาจของกรรมแต่เรามีโอกาสแน่อยุเพงสิบ้าหรอกเปลี่ยนแปลงได้อย่าเป็นไปตามความคิดอารมณ์รู้ตัวตนจิตใจตัวเองหรือตัวตนความคิดรู้ทัณฑอารมณ์จิตเองอีกคนไทยมีความเมตตา เมตตาตนเมตตาผู้อื่นคิดดีพูดดีทําดีบาป ก, กรรมอย่าทำสิ่งใดที่ผิดศีลห้าอย่าไปทําคิดดีพูดดีทําดีคิดดีพูดดีดทดําดีชีวิตที่เหลือเนี่ยจะปวดจะตายคนเราอายุสั้นนะักมันอยู่อยู่ไปไม่นานหรอกทีก็ตายตั้งแต่เด็กมันจะไม่มีโอกาสได้ทําความดีเลยบาป ก, กรรมก็ละเสียคิดดีพูดดีทําดีทําประโยชน์ตนชีวิตที่เหลือเนี่ยัยงไม่เหลือเท่าไหร่แต่ละคน ก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกินดีพูดดีเมตตาต่อผู้อื่นนี่ช่วยเหลือผู้อื่นเน่ยอันนี้ตายก็ไม่เสได้ยเพรมันได้ทําความดีเยอะถึงที่สุดแล้วเหมือนว่าวานี่ยไปสอนที่เชียงใหม่มีเด็กคนหนึ่งชื่อจะปลอยใส่อายุหกขวบนั่งฟังตาใสแป้วหกขวบปกติเด็กหขวบมันจะนั่งฟังนานขนาดนั้นไม่ได้แล้วก็มก็นั่งแล้วแถมนั่งบนเก้าอี้นั่งแล้วนั่งคตมาบาที่เก้าอี้นั่งฟัง นั่งฟังตาใสเขาบอกว่าหนูนั่งฟังแต่หัวคั่าจนดึกเนี่ยหรอหนูทำไมไม่อยากไปวิ่งเล่นไม่อยากจะไม่เห็นซนอะไรเลยล่ะหนูอยากจะฟังธรรมแล้วแม่ก็บอกว่ามาครอาจารย์ให้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วหนูก็อยากจะฟังหนูอยากฟังวอาจารย์พูดว่าอะไรหนูอยากจะฟังธรรมโอ้ก็เลยไม่ไม่วิ่งไปไปซนอะไรเลยแลว้วบอกโอ้ทาไมเป็นอย่างเนี้แล้วก็เขาก็ เห็นจิตใจที่เขามีความคิดวุ่นวายบอกว่าเอากระหนูจิตใจหนูอะในในจิตใจหนูเนี่ยมีความคิดที่วุ่นวายแต่ทาไมหนูไม่ไปชนตามความคิดน่ะหรอกไปไปวิ่งชนตามความคิดน่ะเขาบอกว่าเออที่แรกเขาก็เคยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาาไปเห็นว่าจิตใจเขาเนี่ยมันมันวุ่นวายมากเลยที่แรกเขาก็พยายามจะไปดับจิตใจเขาที่วุ่นวายแต่ที่สุดอะก็ดับยังไงก็ไม่ได้ยังปวดหัวมากเลยเครียดมาก ตัวหลังเลยกขก็ปล่อยมันวุ่นวายไปอ่างั้นเนี่ยแต่เขาไม่วุ่นวายอ้ามันไปถึงนี่ร้อยหกขวบมันปล่อยให้จิตใจวุ่นวายไปแต่มันไม่วุ่นวายมันนั่งฟังธรรมะอยู่เด็จิตใจมันอยากจะวุ่นวายไปแต่มันไม่ไปใจมันอยากฟังธรรมเอามันแยกจิตที่วุ่นวายกับใจที่ที่ไม่ไปตามจิตได้วใจอยากกัฟังธรรมแต่จิตใจวุ่นวายก็วุ่นวายไปแต่เขาอยากฟังธรรมเอ้โหเราฟางมันพูดบอกว่าเนี่ผู้ใหญ่นั่งฟังกันเต็มแลยฟังเด็กมันพูดหนยแล้วมันก็ กลัวมากที่สุดคือกลัวการทํำบาปกรรมเด็กไม่ยอมทำบาปกรรมอะไรเลยตัดเล็กตัดน้อยตัดใหญ่มันไม่ตาหมดนะมันบอกหนูชอบเห็นผีหนูชอบเห็นผีเห็นเทวดาแต่หนูเห็นผีเป็นไงหนูกลัวเขาไหมลูกหนูไม่กลัวเขาหรอกหนูบอกว่าอย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะเออแล้วหนูเห็นเทวดาหนูหนูว่าอย่างไงหนูพูดกับเทวดาว่าอยังไงเออเห็นเทวดาก็บอกว่าอย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะอ้าว โอ้โหมันคิดไปตั้งแต่เด็กแล้วไม่คิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันชอบเห็นผีผีมันคงเห็นได้เนี่ยมีเมตตาจิตใจดีผีมันก็เลยมาขอสวดบุญไอ้นี่เห็นเขาแทนจะกลัวบอกว่าอย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะบอกว่าไงหนูเห็นเมื่อแต่เด็กแล้วโอ้โหนี่หนูก็เพิ่งเด็กอหกวขวบหนูเห็นเมื่แต่เด็กไอ้เมื่อแต่กี่ขวบเนี่ยจําความได้แล้วนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิหนูชอบนั่งสมาธิเออเวลาเห็นอะไรหนูก็อย่าทุกข์นะอย่าทุกข์นะ เห็นจัดอะไรก็ไม่อยากฆ่าเขาไม่อยากทำร้ายเขาโอเด็กมันใสจริงๆสดใสมันมันมองเห็น เ, เด็กมันก็ใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเราเราก็คิดดีพูดดีทําดีเราอะไรก็ตามที่มันไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราก็อย่าไปทําเมตตาตนเมตตาผู้อื่นสัตว์เอกสใจเราก็อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปรังแกเขาแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีชีวิธีเหลือเนี่ยทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็คือเมตตาตน การคิดการพูดการกระทําอะไรที่ทําให้ตัวเองอ่ะบิดหงิดโมโหจุนเฉียวเอามาทำร้ายจิตใจตนเองให้ต้องมีรอยขีดรอืนใจของตัวเองจริงๆมันไม่มีอะไรก่อรอยกีดขวนได้แต่เรากลับมาทําให้จิตใจระบอบช้ำเราก็จะไปทําการคิดการพูดการกระทําของเราอะไรก็ตามที่ไปทําให้คนอื่นต้องบอบช้าทางด้านร่างกายจิตใจเราก็จะไปทำด้วยการคิดการพูดการกระทําของเราแค่นี้ไงเดี๋ยวก็จะสามารถ เบิก บ, บุ บ, รร บ, บรรรารมาีเบิกความดีจากธนาคารมาใช้ได้แล้วทุกอย่างอาดีตแก้ไขไม่ได้มันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันแก้ได้ทุกอย่างอยากจะแก้แก้เลยถ้า แ, แก้ได้เราก็เบิกมาใช้ได้ถ้อาอยู่ที่เราจะแก้นะเพราะว่าเรามี <c oughs> ของมันมีอยู่แล้วนะในธนาคารนะเราจะให้ศาลเขา สั่งยกเลิอกอายัดสั่งปิดบัญชีได้เราก็ต้องแก้ในปัจจุบันนี่แน่สิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่พาพังไปแล้วที่เอาแต่ใจเป็นไปตามอารมณ์คืบกล้ำคืบกล้ำเราก็เลิกการละกันแล้วต่อไปเรากา็ปรับกรรมชั่วเราก็จะไปทําคิดดีพูดดีทําดีสิ่งใดก็ตามที่อยากคิดพูดกระทําแล้วเบียดเบียนตนเองให้เป็นไปตามอารมณ์เศร้าหมองคืบกล้ำคืบกล้ำ ค, คิดแล้วมีความทุกข์คิดทําไมคิดแล้วพูดแล้ว มันไม่ได้ทําให้มีความสุขความเจริญคิดแล้วพูดแล้วทำให้คนอื่นต้องเสียหายคิดแล้วพูดแล้วไร้สาระทําแล้วก็ไม่เสียหายไร้สาระก็เราก็ไม่ไม่ควรไปทําเราก็พิจารณาเห็นแล้วว่าการคิดการพูดการกระทำเช่นนี้มันไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมเราก็อย่าไปคิดไปพูดไปกระทําเข้าแถมมันไม่ได้ทําให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกทั้งธรรม มันกับเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอีกก็กลัวต้องแตกแยกวุ่นวายทะเลาะกันบ่อแหวงกันสะาะพัดก็เพราะว่ามันไม่เป็นสาระแก่นสารที่จะคิดจะพูดจะทําอะไรก็โอ๊ยก็ไปพูดเข้าเนี่ยติฉินดินทาว่าร้ายเนี่ยเราห้ามบอกว่าเห็นเดินมาแล้วบอกว่าอย่าพูดอยพูดเราเห็นมองเห็นหน้าว่าจเนี่ยเราจะดินทาเขาไม่ฮะอยากจะพูดในฟังอยากจะพูดในฟังวันที่2เขาแอบเดิมนมาอีกก็บอกว่าอย่ามาไม่ได้เราเห็นหน้าตาแล้วเรารู้สึกเลยแล้วว่าจะดินท้าเขาเนี่ย ไม่ได้ไม่เช่นนินทาอยากจะเล่าคนจริงให้ฟังเราบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังแล้วได้จริงอยากจะเล่าอยู่นั่นแหละเราบอกว่าถ้าจะถ้าคนที่เราเล่าให้เขาฟังเขาจะจริงคนนั้นที่ถูกเล่าเนี่ยถ้าเขามาอยู่ที่นี่ด้วยจะจะกล้าเล่าไหมไม่กล้าเล่าไม่เล่าไม่เล่าโอ้ยนินทาอย่งนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไม่เป็นสาระแก่ฑสารชีวิตมันไม่ทําให้คิดพูดแล้วก็ทําแล้วทําให้เรานะมีความมีความเจริญ่ะแต่ที่สุดแล้วว่ามาพูดจนได้อัดอั้นไว้อัดอัดออยากจะพูดให้ฟังอาจารย์ วันนั้นเห็นเลยว่าคนนี้ไปกับคนนั้นอะแล้วพูดทําไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะทําให้เราเมีความสุขความเจริญเนี่ยอัดอั้นระเบิดมาได้ตั้งสามวันเนี่ยอดลนจนไม่ได้เรามาพูดเนี่ยเราบอกว่าดีนะไม่ตายตั้งแต่วันก่อนทำไมตายตั้แต่วันก่อนมันตกมาลกไปเลยมันมันอัดอั้นลแล้วในอกระเบิดอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์สารละเลยอย่าับพูดแกนั้นเนี่ยว่าเห็นเขาไปกับคนนั้นคนนี้แกนี้เนี่ยแตามันตายไปได้คืนนั้นมันตกมาลกไปเลยเดี๋ยวไดดีเดี๋ยนี่ มาระบายจนยูนถึงมาสามวันมันระบายเราฟังเนี่ยแมเนี่ยคนเรามันชอบเป็นไปตามนิสัยสันดานกิเลสตัวเองชอบเป็นอย่างนี้ไนงะรู้มันไม่ดีแต่ต้องพูดรู้มไม่ดีแต่ก็ต้องทํารู้มไ ม, ดม่ดีที่สุดก็ปล่อยมันคิดที่สุดกับแพ้แพ้อะไรไม่พพแพ้แพ้ใครหรอกไปแพ้จิตใจตัวเองหมดแล้วที่สุดความทุกข์ยากลําบากก็เกิดแก่ตัวเองเกิดแก่ครอบครัวแตกแยกทะเลาะกันพ่อแม่ลูกครอบครัวคนละทิศละทางปากาก็พูดก็ไปเฮ้อ รู้ว่าไม่ดีแต่อยากจะพูดรู้ไม่ไม่ดีก็อยากจะว่ารู้อยู่แล้วว่าพูดแล้วจะต้องทะเลาะกันรู้อยู่แล้วว่าพูดแล้วจะต้องเกลียดกันโกรธกันแต่ก็อยากจะพูดไม่พูดไม่ได้ต้องอยากจะพูดจะพูดอยู่แน่แด็ดบอกว่าอยากพูดจะพูดพูดโพลงเข้าไปอ้าวแตกแยกเป็นเสี่ยงเสี่ยงมาจนนั้นแล้วแก้วมันเล้าแก้วมันแตกแล้วเจ้ากาวมาต่อยังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมตอนมันยังไม่แตกไม่เล้าไม่รักษาให้ดีไม่รักษากันไว้ให้ดี แล้วที่สุดแล้วก็พูดไปแล้วอย่า ก, กับพูดแค่นั้นแหละอย่าจิดปล่อยเมื่อกี้ไปเปิดเบอร์จริญจันทร์คิดอะไรก็มีอารมณ์คืบค่มมันจะจะมีอารมณ์คืบคั่มก็ปล่อยมันคืบคั่มคืบ่มที่สุดไปย่องออกไปอ่ะพูดออกไปทําออกไปไม่ได้ไรเลยเหนือไม่ได้กินหนังไม่ร้อนละเอียด ก, กับพูดแค่นั้นแหละแล้วที่สุดก็แตกเพื่อนแตกเจ้านายลูกน้องครอบครัวสามีภรรยาต้องแตกแยกกันลูกหลานพ่อแม่ปีน้องก็จัดกระจายคนละทิศทางไม่กลับมาคืนดีกันได้ แม้แต่จะมาคือดีกันมีคนไกลเกลียวแต่มันเป็นแก้วลาวแล้วแก้วนั้นเนี่ยมันแตกไปแล้วเอากาวมาติดมันก็ไม่ติดรักษาใจของตัวเองให้ดีรักษาคนที่ดีให้ดีเราเสียมันไปแล้วเราจะรู้สึกแบบเสียดายเสียหายสิ่งใดที่มันดีรักษาไว้ให้ดีรักษาันไว้ให้ดีรักษาใจไว้ให้ดี รักษาใจได้รักษาอย่างอื่นได้หมดรักษาใจตัวเองไม่ได้อยากจะพูดเดี๋ยวเดียาคิดจะกระทำไปรักษาอย่างอื่นไม่ได้เสียหายหมดพระองค์ตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จแล้วที่ใจถ้ารักษาใจได้ใจดีนั่นแหละเลิกดีมงคลดีอะไรก็จะดีแต่ใจไม่ดีเลิกไม่ดีมงคลไม่ดีไม่ใช่ว่าเลิกดีเกิดจากเลิกฝาหนาดีดีลายมือหลายเท้าดีงูเฮงดีดูไพ่ดูหมอดูนั่นดูนี่แล้วก็จะดีไม่ใช่ละ เห็นเขไปดูกันมาเยอะแต่งงานโอ้โหใหญ่โตที่ตุดอยู่ไม่กี่วันอยากกันแล้วซ้อมกันแล้วเรื่องกันแล้วเ อ, อ้ยเลิกดีอะไรเลิกดีมันอยู่ที่ใจดีใจดีใจดีคืออะไรใจที่สงบลมเย็นไม่เล่าร้อนไม่ ห, หมวูบหวาดหวุบหวัดหวุบหเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ย่คุ้มข้างเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ ย, ย่่ยคุ้มข้างโอ้ยอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องคิดแต่มันทุกข์ไปงั้นเนี่ะใจไม่รักษามันไว้ให้ให้ดีอยู่ๆดีๆก็ไปคิดให้มันทุกข์ไปงั้นนี่ย ชอบเป็นอย่างเงี้ยแร้วก็ที่ไม่มีประโยชน์สาระอะไรเลยแต่อยู่ดีก็ไปคิดแต่มันเป็นทุกข์ไอ้ที่คิดไอ้มันเป็นสุขไม่คิดคิดแล้วเจริญสุขมีความสุขคนเจริญขายดีขายหมดธุรกิจร่ำรวยคิดแล้วทํามาหากินในทางที่ชอบได้ได้เงินมาเป็นกอบเป็นก ร, รมคิดแล้วทําให้พ้นทุกข์นิพพานโอ้โหไม่คิดอ น, นี้มั่ไปคิดแต่เรื่องอะไรทําให้ตัวเองอ่ะตกต่าลงนะเนี่ยความสุขความเจริญรุ่งเรืองแต่ละคนเนี่ยมันก็มาจากใจดีนี่แน่ใจไม่ดีอ่ะ มันไม่ดีเลยกรใจดีเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วดีหมดเลยกระจาไม่ดีมันก็จะไปคิดตามพูดจำกระทํานี่ยเราจะตุก็พาตัวนั้นไปทุกข์เอง